จะแก้ความตื่นเต้นได้อย่างไรถามความตื่นเต้นจัดเป็นจิตประเภทไหนอย่างเช่นเวลารอจะเข้าประชุมกับหัวหน้าใจจะเต้นเร็วๆหายใจไม่ทั่วท้องจะทำให้ไม่เกิดได้หรือไม่ ตอบถ้าว่าตามประเภทของจิตก็คือจิตฟุ้งซ่านแต่เป็นฟุ้งซ่านอย่างแรงนะครับฟุ้งซ่านจับไม่ติดกระทั่งกายตอบสนองเป็นอาการต่างๆเช่นหัวใจเต้นเป็นรัวกลองหน้ามืดมองอะไรข้างหน้าไม่ถนัดหายใจตื้นติดขัดเครียดเกรงไปทั้งตัวเป็นต้น วิธีง่ายๆที่จะแก้วความฟุ้งซ่านจัดก็คือหาเครื่องกระทบง่ายๆให้กายเกิดความรู้สึกชัดๆทีีเพื่อเอาชนะความทีของคลื่นความฟุ้งจัดลองอุบายนี้ดูก็แล้วกันเอามือข้างที่ถนัดเกาออกหลุมๆให้ปลายนิ้วกลางตตะตรงตำแหน่งกระดูกเหนือร่องอกแล้วกระดิกเข่าทีๆโดยแขนและมือไม่เกรงนับให้ได้ยี่สิบครั้งแล้วหยุด เพื่อลากลมหายใจลึกๆสบายๆทีหนึ่งจากนั้นเคะอีกยี่สิบครั้งแล้วลากลมหายใจสบายๆอีกทาสักสองสามรอบน่าจะรู้สึกสงบลงเป็นปกติเพราะจิตไม่ลงไปตามพายุความฟุง้งแต่หันกลับมารู้อยู่กับภาษะอันเป็นปัจจุบันอย่างไรก็ตามอุบายแก้ตรงนี้เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ หากเป็นผู้อบรมสติให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็นปกติก็จะไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่านไม่ตื่นเต้นง่ายๆครับลมหายใจที่พวกเราปล่อยทิ้งปล่อยกว้างจนเป็นนิสัยนี่แหละเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เป็นปกติได้ดีที่สุดถามสมมุติว่าเรานั่งว่างๆอยู่แล้วมันรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเองเล็กน้อย แต่รู้สึกได้ทั้งที่ใจก็ไม่ได้คิดอะไรมีเหตุปัจจัยอะไรได้บ้างตอบมีปัจจัยได้ทั้งภายนอกและภายในเอาเป็นว่าพูดเฉพาะปัจจัยภายในนะครับจิตของคุณนับว่าอ่อนไหวง่ายแถมเข้าไปเหนียวยึดอารมณ์กระทบอย่างเหนียวแน่นแม้ความคิดหรือความจำจางๆที่ผุดขึ้น ชวนให้หวนประวัตินึกถึงเหตุการณ์ระทึกจิตก็กระโจนเข้าไปจับไม่ปล่อยแล้วเวลาเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยก็ให้ทําตามอุบายข้างต้นแต่ขอย้้ำว่านั่นเป็นเพียงการแก้ที่ปลายเหตุถ้าจะให้เลิกนิสัยทางจิตแบบเดิมๆได้ถาวรก็ต้องอาศัยเครื่องอยู่ของสติดีๆอย่างเช่นรู้ไปเรื่อยๆเล่นๆเท่าที่จะทาได้ ว่าคุณกำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าลมหายใจนั้นยาวหรือสั้นไม่ถึงกับต้องรู้ให้ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแต่ขอให้รู้จนเกิดความเคยชินขึ้นมาระดับหนึ่งคือพอว่างปุ๊บสติไม่ล่องลอยไปไหนแต่วกกลับมารู้อยู่ว่าลักษณะลมเป็นอย่างไรเท่านั้นแรกๆอาจเหมือนฝืนและหน้าเบื่อหน่าย แต่ทำำไปจะรู้เองว่าของสนุกสุดเหวี่ยงมีอยู่กับตัวโดยไม่ต้องลงทุนไปซื้อหาจากไหนเลย